บทสวดพุทธชัยยะมงคลคาถาหรือบทพาหุงพาหุงสหัสมะพินิมิตะสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตโคร ะ, ะเสณมารังธานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิพระจอมุนีได้ทรงชนะพยามาณผู้เนรมิตรแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบมือขี่คดสารชื่อครีเมฆละพร้อมด้วยเสนามานโหร้องกึกก้องด้วยธรรมวิธีคือทรงระลึกถึงพระบารมีสิบประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นขอชัยยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเหตุแห่งพระพุทธชัยยมงคลนั้นมาราติเรกะมพิยุชิตะสภ ร, ะระติง โครัมปนารวัคกามัคมทักทยักขังขันตีสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชัสสาภวะตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีได้ส่งชนะอาระวักยักษ์ผู้มีจิตกระด้างดุร้ายเฮี้ยมโหดมีฤทธิ์ยิ่งกว่าพยามารผู้เข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่งด้วยวิธีที่ทรงฝึกฝนเป็นอันดี คือขันติบารมีขอชัยยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยยมงคลนั้นนารายคิริงขชวรังอติมัตตภูตังทาวัคิจักกะมะสณีวะสุทารุนันตังเมตตามผู้เสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพะวะตุเตชยมังคลานิ พระจอมุนีได้ทรงชนะพยาช้างชื่อนาราคิรีเป็นช้างเมามันยิ่งนักดุร้ายประดุดไฟป่าและร้ายแรงดังจากกราวุธและสายฟ้าขององค์อินด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำคือพระเมตตาขอชัยยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยยะมงคลนั้นอกคิตาค ข, ขะมะติหัตถสุทารุนันตัง พาวันติโยชนะปัถังคุลีมาละวันตังอิทธีพิสังคตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีทรงบันดาลอิทธิฤทธิทางใจอันยอดเยี่ยมชนะโจรชื่ออง์คุลีมานแสนร้ายกาศมีฝีมือถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทางสามยชน ขอชัยยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยยมงคลนั้นกัตตวานะกัทมุทธังอิวัคพินียาจินจายะทุตถวจนังชนะกายมัเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตชยมังคลานิ พระจอมมุนีได้ทรงชนะคำกล่าวร้ายของนางจินจามานวิกาผู้ทำอาการประหนึ่งว่ามีคันเพราะทำไม้สันฐานกลมผูกติดไว้ให้เป็นประดุดมีท้องด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความสงบระงับพระหฤทัยในถ้ำกลางหมู่ชนขอชัยยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยยะมงคลนั้น สัจจังวิหายะมติสั จ, จะกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะูตังปัญญาปทีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวะวตุเตชะยะมังคะลานิพระจอมมุนีส่งรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปคือปัญญาได้ชนะสัจจกะนิครน ผู้มีอัยาศัยในที่จะสละเสียซึ่งความสัตว์มุ่งยกถ้อยคําของตนให้สูงล้ำดุดยกธงเป็นผู้มืดมนยิ่งนักด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัยาศัยแล้วตรัสเทศนาให้มองเห็นความจริงขอชัยยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยยะมงคลนั้น นันโทปนันทะพุชคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะธรรมะปยันโตอิทูปะเทสะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาพวตุเตชยมังคะลานิพระจอมุนีทรงโปรดให้พระโมคคัลลานะเทระพุทธชิโนรสนิรมิตกายเป็นนาคราช ไปทรม า, พานพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีความหลงผิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีให้ฤทธิ์ที่เหนือกว่าแก่พระเทระขอชยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งพระพุทธชยมงคลนั้นทุกคาหะทิฏฐิพุชะเคนะสุทัตะหัดถังพรำมังวิสุทธิชุติมิทิภากาพิธานัง ยานาคเทนะวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชัสสาพะวะตุเตชายามังคลานิพระจอมุนีได้ทรงชนะพรมผู้มีนามว่าพกาพรมผู้มีฤทธิ์สำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์มีความเห็นผิดประดุดถูกงูรัดมือไว้อย่างแน่นแฟ้นแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายาน ขอชัยยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยยะมงคลนั้นเอตาปิพุทธชัยยะมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทิณทิเนสระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิขเมยยะนโรสปัญโยนรชนใดมีปัญญา ไม่เกียดคร้านสวดก็ดีระลึกก็ดีซึ่งพระพุทธชัยยมงคลแปดบทนี้ทุกๆวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมมาสุขแล